ทัศนะส่ธรรมเรื่องพูดที่จันทบุรีโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันท์พุทธศักราช2526ูดีรร้นนเยต แล้วที่เราเรียนตรงๆเรยนแบบแบบร้าง่ายๆี่นี่การ์ตูมาทำให้ตัวรนบคุขึ้นอคิดป่ ให้เราก็ทนแค่นั้นอยูรงาจิตใ <c oughs> เป็นติดนิดใไปขึ้นอจะให้มาดูตัวเองว่าจิตติดก็ไม่รู้ จ, จะเรีย น, นอะไรเราอยู่ในโล ก, ลกตัิดเรื่องราวในโลกนี้แห้เราก็คิดถงมูลเหตุของความปิด ดมองได้ดีอ ah งต่นดูข้างนอกตืวนมงผท้พูดเทวดาจีสางเลยมองพูดรัตประบางปดินทองเธาถือว่าเป็นต้นห เมื่อเราย้อนมางที่ตัวเราเองเราจะเริ่มเห็นเหตุในภายในเรื่องที่เราเริ่มรู้จักเริ่มศึกษา ต, ต้นเรื่องเราเริ่มเข้าใจตัวเรา ความทุกข์มันมีเหตุไม่ใช่มีเหตุโดยทั่วไปคนทั่วไปมักจะโน้มใจคิดว่าเกิดมาเป็นคนที่ต้องทุกข์ทุกเวลาเราเชื่อว่าเราเป็นทุกข์มันอย่างนั้นมันก็ไมชีวิตจะได้ เมื่อเห็นเหตุในในนี้ที่าังจึงจะแก้ทุกข์และดังนั้นเองตอนอื่นใดเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นผู้การยอมรับตัวเองมีความทุกข์ยอมรับตัวเองเป็นทุกข์เป็นจุดเริ่มแรกที่สุดในการที่จะแก้กันเมื่อเราได้ยิน ความเล ก, เ, ลกเราเป็นเด็กชิดอัวแตจริงๆเ่อนมุรอนคนหนึ่งควาโลภมากแต่เราไม่ได้เห็นความโลภที่ปรากฏจริงๆแค่ภ า, าพที่ไม่รู้จักพอมอเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราจะไม่เห็นแต่ว่าเวลาเราฟังเทศน์ในลเราฟังนี้ ะะาาความเกิดเป็นทุกข์เราจเชื่อเราจะจำหน้าเรจริงๆเลยความเกิดเป็นทุกข์แต่พอมันเกิดจริงๆจะไม่รู้มันบังกันอยู่อย่งนี้ก็จะมีอะไรทุกอย่างกี่เป็นจุดจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อการยอมรับอย่าง จริงจริงเราเป็นทุกข์จริงเมื่อเราพึ่งตัวเองไม่ได้จริงรเายงรับชักชัตลงไปมีท่พึ่งเราตกานโลกโดยตลอดตกใครขึ้นมาตกในรลกจุ่คนดี ทางออกอื่นไม่ได้ที่ทางออกโดยทั่วไปคนทั่วไปที่ขึ้นอยานน่างง่ายๆไม่ใช่การทำบุญทางออ ก, กแต่ไม่จริงเล่า พูดมากที่จริงหนูก็เป็นทุกข์นหนึ่งพูดมากลืมสร้างโบอหลังนี้นสนดแสดงมันเป็นทุกคือเราต้องสร้างหัวขึ้นนะเป็นทุกบางครก้งช่วยงานสังคมเป็นวิธีเลี่ยงเป็นวิธีออกจากทุกของคนทั่วไปคือ เลี่นไปไม่อยากจะรับรู้ทีถึงสมัยที่ผมปฏิบัติรู้สึดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพแต่ขเพืผมผกลายกป ความรู้สึกนะครับชีวิตนี้เป็นป้อนป้นของความคิดจะนหน้าหจะเป็นทุกข์หรื่ารู้สึกเป็นทุกข์ยิ่มากขึ้นมากขึ้น เมื่อเราไม่เลี่ยงเราไม่หลบเราไม่หาทางแก้เลยของทุกกันนี้มันจะเปลี่ยนทิศทามันก็ค่อยๆแปลสภาพเป็นเป็นสมาธิแล้วมันจะค่อยๆทำให้เราเข้าใจกันเอก มีนคนพูดมากเพื่อนของเราเสึกเข้าใจของคนจี น, นเพราะอะไรของพูดนีน้ซึ่งไปตอนรองคานกลียดเรื่อเห็นคนมีสีผรวเปีนเล่าเราจะเริ่มเห็นใจแลเข้าใจเพก า, าเป็นทุกข์ก็ต้องให้รู้ก็ต้องกล้าพอที่จะยอมรับมันเพาะนเป็นทุกข์ พูดมากคือคนที่หนอนชอบพูดพูดมันได้ระ บ, บายกูดการที่เราเลี่ยนหลบจากความทุกข์นี่เองทำให้เราไม่ไม่รู้จักพูดทั้อองหมดเป็นหลบอยู่สิ่งที่เกิดขึ้ น, นเราเป็นสิ่งที่กิเลย ต้องการาอะไรสำคัญมเราไม่เห็นมันตรงๆเราจะไั่นเข้าใจไห้ทีเรนเกิดขึ้ น, นเราเมื่อวันที่อยถึงคันครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็าอยากเป็นผลผลิตซึ่งอันที่จริงถ้าเราไม่ต้องการยิงไม่น่าจะอยู่ <c oughs> ความทำที่สุดคือเราไม่รู้จักเปลืกการสุกับทำชนิดที่เป็นในคว า, ามสงบนั่งนิ่งหลับกาหวังว่าเลือกจะหดจะน้อยคล้ายๆก็เอ า, อาอเท้าสามเอาไปเข้าเปลือกใส่ในครบสีบสีแบบโบราแล้วไม่ยอมสี ก็นั่งนิ่งนั่งดูนะแล้วก็สงบแล้วน้ำภาพเก e ือตกใส่นในครกแล้วมัยอมบดมัยอมสีก็เลยสงบแล้ถ้าเเรื่องราวขงีบัที่ปัช น, นาจริงๆเราถ้าเกลือตใส่ในครกเริ่มสีสีแล้ ว, ลวข้าวาจะออก กาเรเลืนการสีก็จามาเปรี่ยบ ด, ด้วยการเคลื่อนไหวตอ น, น, นเขาเปลี่ยเขาใส่เขามาลองตั้งสติขึ้นมา้ตัวรู้ตัวแล้วก็เลื่อสีข้าวการรูนน้นี้ถ้ามันไปรู้อยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดจิตจะสนุกนิด น, นิดส่วนหนึ่งส่วนใดอยู ไปดูอันใดอันใดอยู่รู้ไปเงี้ยฟังอันมดอันใดอย่งนี่การสมสถะการกำลังอย่ ง, งถ้าทำนั้นบ่อยๆมันจะไม่เป็นนิสัยเราติดนิสัยที่จะดูอะไรบางสิ่งฟังอะไรบางอย่างรู้อะไรบางเรื่อง ผลิตในการที่จะทำปัจนานาปัจจานานี่ยให้เห็นตามธรรมดาเบิดตาแต่ไม่ได้ดูทำหัวหได้ยินทุกสิ่งได้ฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรทำใจให้ใหรู้แต่ไม่รู้อ่ะเพราเป็นอย่างนี้จิตจะไม่มีนิมิตเพื่อจิตอยู่เนืออารมณ์นะอารมณ์พิดเข้ามา เขคิดทไม่ต้องไปสนใจอคนที่เดินหนึ่งข้างไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปสนใ จ, นะน เ, นรนใจเรียกไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจแล้วแต่จริงแต่ว่ารู้ตัวอยู่ดังนั้นมันจึงรู้หมดมันจึงรู้ทุน่นรู้ทั่วงหมดตรงนี้เรียกปัญญาเรียกปัญญาแต่ว่ารู้ท่วงเพระถ้าเราดูป่าเมื่อเราเห็นป่านั้นเราไม่เห็นต้นไม้ แต่เมื่อเราดูต้นมะม่วงน่ะเราจะไม่เห็นป่าเราเพ่งจ้องกันหนึ่งเราจะไม่รู้จักป่าเพราะนั้ น, นทิศสายที่จ้องอันนี้สายแก้ยาก่าเนี่ยเจริญพัฒนานมันจะเป็นสมถะอยู่เรื่อยเพราะมันติดติดคิดพอคิดก็ต้องมีวัตถุที่ตั้งของการคิดติดมานานเราชื่นชอบด่าเพื่อนติด เล่าติดดินติดผู้หญิงติดผู้ชาที่จริงไม่เมาะติดอารมณ์ติดคิดเทนั้นติดคิดคิดขึ้นมาจะไปสูกินสู่กัญชาเดี๋ยวเดินะไปซื่อกัญชานาะติดกัญชาน่ะเรื่องทีหลังติดคิดถ้าไม่นึกถึงกัญชาน่ะมันคะไม่รไป ทีนี้มันมีอาการเสพติดคนหน่นนมนเสพติดเสพติดต่ออารมณ์เรื่อเกิดเมาอารมณ์มอาการทางกายก็แใดงเป็นการวิงเวียนๆสึกษระสับกะสายทางออกนี้พบวันนี้เราก็หนดรู้อารมณ์ การที่ทำจิตให้ไม่มีอารมณ์เรื่องนี้ประละ้าฉันทำจิตว่างทุกคนต้องระมัดวังให้ดีระมัดระัยินคำพูดเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นสำรักคนที่ยังไม่ได้ฝึกวีปัฒนาไปปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่ามันเป็นการยึดถือมันเป็นการยึดเอรความไม่ยึดยนะมาเป็นอารมณ์ วันที่กะเริ่ติดอารมณ์หรือแม้ปฏิบัติปล่อยวางอาการความไม่รับผิดชอบปาจจิติดไปไดเรื่อยการชี้หนุบาทานเป็นผลสืบต่อจากสติ ส, สติต่อเนื่องจนกรทั่งกลายเป็นปัจฉามนการชี้หนุบตาทานชึ้ยิบชี้ติดจะเป็นไปเองโดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องไปทำอะไรดังนั้นทั้งยึดทั้งไม่ยึดไม่ต้องไปยุ่งอยง่ยึดก็ได้ไม่ยึดก็ได้สิ่งใดมีที่ยึดมันยึดเองสิ่งใดไม่มีอยู่แล้วมันไม่ยึดเองทิ้งเองที่ที่จะไปปฏิบัติจิตว่างจะเดินจิตว่างเรื่วิพล l a จิตไม่มีอารมณ์เรื่องวิพัล lak จิตจะต้องมีอารมณ์เข้ามาให้รับรู้จึงจะจึงจะ เ, เรื่องจริง กับดิ้นไม่ติดอารมณ์ที่มันรู้มันรู้อารมณ์แต่จิตหลงอารมณ์ือมันไม่มว่างเลยใงนี้พิพากันนะจิตจะต้องจะต้องรู้อารมณ์เนนี่เป็นสิ่งที่เรียกเบื้องต้นตจิตอยู่เหนืออารมณ์จนทั้งไม่ใส่ใจอารมณ์แต่ก็รู้อันนั้นเป็นบันฑ์่ แลใครหยิบติดขั้นตอนมันจะเอาเพื่อนตะสูบบุหรี่ยื่นบุรีให้แล้วนี่ไม่รู้ตะสูประทางที่มีไฟนก็เลยร้อนปากรสชาติของจิตมันเป็นนรสชาติที่รู้อารม เราในความหมายจริงเข้ามาให้รู้ขเข้ามาให้รู้ภาษาไทยมันแปลว่ามันแปลว่าอารมณ์ที่แปลวดีใจหรือเปล่าแต่ในความหมายนี้จริงเข้ามาให้รับรู้ขั้นต้นนี้จิตเราต้องฝึกให้จิตรู้เอ่อกรู้จุดชนี้ต่อเ น, นื่องขึ้น มันจะเข้าไปขวางกันการรู้วนนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ๆที่มันมันเข้าไปขวางกันไม่ให้อารมณ์มันจับกิจคั้นกันไม่ให้น้ำเนี่ยเกีเข้าไปในขนเป็ดธรรมชาติขนเป็ดมันเป็นมันเรารูตัวอย่ที่ว่าเรากำมันคลุมคลองใส่เสื้อฝน ใส่เสื้อฝนมันก็ไม่กลัวฝนตกก็เดิเนฝ่าฝนถ้าใครใส่เสื้อฝนตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆครับตลกคี่พูดถึงอารมณ์ท้ ที่เราจะรู้จัก ท, ที่เราับคุ้าปากการคุ้นไปสูงพันเบื้องสูงก <c oughs> ารเจริญปัจนานั้นดังที่ผมพูดแทำเรื่องเดียวก็ไม่รู้จะทำมากเรื่องพูดกันมากเรื่องเดียวรักสามิีเจริญสมาธิไปที่ดงทำาน้นทานี้และทีว่ว่านี่เป็น ป็นกาฏิบัติธรรมธรรมเรื่องเดียวได้ทำเย็นอยู่นะส่วนการที่มันจะก้าวไปก้าวไปมันเป็นเรื่องของมันมันเป็นเรื่องการเดินทางฝังใจมันจะทำอะไรมันแรกแท็กจึมอะไรมาเรื่องของมันแต่เราเย็นอยู่เรี่องของการรู้ตัวคือเราเาจจุดนี้การเดินทางนั่งที่มันเดินทางออกออกนอกสมอด ยิ่จะรู้สมมุติรู้ประมัิขึ้นไาเรียกว่าเดินทางและยิ่งเดินทางทางทำเท่าไหร่มันก็เดินมารู้สึกตัวสูนะัเท่านั้นดังนั้นมันเดินอยู่ข้างในทางก็มั น, เ ป, นเป็นเรื่องของมันเองถ้าเร า, าจับตาดูภู่เทาลิกหนึ่ง เราเห็นภูเขานั้นอยู่ลางๆแล้วก็เดินไปบางตอนไม่เห็นบางตอนเห็นแต่มจะชัดขึ้นเรื่อยๆมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเราเข้าถึงภูเขาลงนั้นแล้วจะไม่เห็นมันอีกเลยจะได้ให้รเรากำหนดคร่าวๆอย่างนี้ให้รู้ติกตัวกำหนดให้รู้ติดตัว เมื่อเราเดินเข้าไปหามันมากเข้ า, าจนเข้าถึงตัวเรานี้จะไม่มีตัวเราไม่ใช่ไม่มีะนิดที่ไม่มีภูเขาคือมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรที่ตัวเมื่อเราเห็นมันจริงๆเ้ยมันไม่เห็นอะไรถ้าคำนี้ดูปะหลาดดูผู้ใดที่ปฏิบัติดีจะเข้าใจเมื่อเราไม่เห็นมันจะเห็นเป็นตุกตาไง ที่มันร้อนนะเป็นมายาคำคิดนี่แหละเราไม่รู้ไม่เห็นมัน ม, มันก็เที่ยเห็นเป็นเรื่องเงาเยอะแต่พอเราเห็นความคิดไม่มีเราเห็นตัวเองก็ไม่มีอเราเดินไปจับตาดูภูเขาอยู่ไกลๆมัจะเห็นกเน็เดินไปเดินไปเข้าไปถึงภูเขาจริงไม่เห็นอะไร คือมันไม่เห็นภูเขาเป็นรูปเป็น้น่าแต่มันเข้าถึงภูเขาคือมันอยู่กับภูเขาป็นอยู่กับตัวเองอย่างสิ่งที่เรียกวัดรูปหรือวัดถุ เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอ่นอ น, นเราเราเลือกที่จะดูเมืเราซื้อของเราเลือกซื้่อเสื้อที่เราต้องการที่นี้ในการดูคนทั่วไปด้วยมันเลือกที่จะดูบางสีเหมือนไปตลาดนะที่แต่ตอนนี้เราซื้อต่างๆมันาไดูมันเลือกดูเวลาดูคนมันก็ดูบางคน เราเลือกดูบางคนแล้วก็เห็นหลายละเอียดควาคิดก็เกิด <c oughs> ทีนี่ผู้เราก็เลือกเลือกฟังฟังเสียงเนี่ยเราฟังบางเสียงในการที่เลือกอันนี้มันสอนเขาเจตนาที่จะดังนั้นในในทุกครั้งที่เราดูบางสิ่งเราก็ทำกรรมเพามีเจตนามางอย่าง วันนี้เราทำตาข้งหลังให้ให้เป็นตาขึ้นไม่เลือดไม่เลือดดูแต่ไม่ใช่หลับตาสิแล้วหูนี่ไม่ใช่ไม่ฟังที่จริงเราหลับตานั้นเราก็ยังเห็นอยู่ในทางหูนี่นั่นแหละเราไม่ค่ยใช้คำพูดคือมันหลับหูคือมันหลับไม่ได้ไอคือมัน มันจะได้ยินอยู่เรื่อยเรื่องจากมืออุดนะครดังนั้นเราพูดเรื่องตาหูใจสามสิ่งนี้พอแล้วที่คุมไม่ถึงมือกลิ้นกายอะไรอย่างนี้อางนี้ เรจําอารมณ์ใดไว้เราจำไว้มันจะคิดถึงอารมณ์นั้นพความจามันเป็นเชื้อาถ้าไฟมันจะโอดรต่อเชื้อถ้าจอารมณ์ไหนคิดถึงอารมณ์นั้นคิดถึงอารมณ์ไหนก็รู้สึกอยู่ในอารมณ์นั้นฝันแลวก็วนเวียนอยู่ในอารมณ์ถ้า่านเดูความคิดขึ้นยา ซ้ามากคิดเืองใหม่จริ ง, รงกกรแล้วก็วนในเรื่องเก่ า, ก า, าติดซ้ำซ้กซ้ำก้ำซ้ำซ้ำนักมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหนักใจเอคิดเองจะมันลงหลุ ม, มอาจจะคุยกัเรื่องอื่นคุยเพื่อนคุยไปคุยมาจิต ใ, ใจมันแล่นพวดไปเรื่องนั้นน่กว่าไปแก้ดี จะมีควอมคิดก็เริ่มเป็นควคิดเรื่อยๆการเจริญบัดนานให้คิดเรื่อยๆนี่เองเหมือนถ้าเราเดินเล่นเรื่อยๆกินข้าวเรื่อยๆเด็กๆกินข้าวเรื่อยๆจะโตขึ้นเรื่อยๆกินเรื่อยๆนอนเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆทําอยู่อย่างนี้ชีวิตมันก็จะเติบโตขึ้นต่างคนชอบต่างกัน คิดเรื่อยๆคิดเล่นคิดเล่นเพื่อนมือเรื่อยๆเรื่องนนทำอยู่เช่นนี้ได้าเป็นการเจริญฝัาเทานั้นก็ชวนให่ไ้ติดคนคนเท่าไหร่นะที่ก็ต้องทำจริงๆเนยนังนั่งก็เห็นนู่นเห็นนี้น การที่นั้นเป็นปาทานจริงๆเป็นนั่งทงเจ้าขาศ์จิตใจที่มันฝุกพันกับอะไรนี่มันจะมันจะยึดอันนั้นเป็นอารมณ์มันจะโหนใค้ใครนกสีก็ติดสีเหมือนกับผู่หญิงหรือผู้ชายที่มันรักกันมันรักกันแตพูดถึงในคนนั้นมันจะเพ้อถึงในคนนั้น าการเพินเกิดขึ้นผู้รู้ธมะอันดับใดก็พูดธรรมะอันดับนั้นใครที่ยึดสีเป็นหลักก็พูดแตเรื่องสีหนึ่งสิบสิบปีเลยยึดการจินเจเป็นหลักก็พูดแต่เรื่องการจินเจแสดงมันไม่ก้าวไปข้างหน้าใครที่ติดเรื่องสมาี่ก็พูดแต่เรื่องสมารถพูดแต่เรื่องิมิตงานจิตไปีุ่ดงมา ไปเห็นผีเห็นเทวดาแสดงมันติดอารมณ์แล้วมันจะพูดอย่างอื่นมันเป็นที่จริงผมคิดว่าเรื่องปฏิบัติธรรมคืะเรื่องมิสัยคือภาษาธรรมบ้านยอมใจให้ดีเท่านั้น ทำใจให้ดีเท่านั้นาทำใจให้ดีแล้วมันมันจะรู้มันจะเห็ว่าใจดีเป็นสิ่งที่เป็นภาษาที่ง่ายแต่สิ่งนี้ทำได้ยากเพราะเรามักจะหวั่นไวหวไปเติมห น, น้านความคิดความคิดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจเสีย ท, ทันทีเรียกว่าวันวั น, วน โดยพวาที่จริงแล้วความคิดนี่เป็นกําลังของจิตใครทุ่ฟุ้งซ่านมากวันนี้เมื่อรู้เมื่อรู้ขึ้นมาติตดีขึ้นมาแล้วจิตจะมีกําลังแล้วสิงร้ายๆวันนี้จืิ่งที่ดีที่สุดเขาฟุ้งซ่านคือสิ่งที่ฟุ้งซานแสดงจิตมีพลัง แต่วันนี้ไอ้ติมันอ่อนแล้วคำว่าติจเจริญติไม่ได้หมายถึงเพิ่มปูนระวังปห้ดีการจเจริญติมีความหมายพิเศษคพรไม่ปล่อยาารกรจายได้นานห้าปกปีความหมายตัวเดียวคำว่าติติไม่ได้เพิ่มปูนเหมือนกับเราเก็บเงินไว้ในธนาคาร ตรงข้างเลยสติเป็นการเพิ่มความไวัยของการรู้รู้แล้ก็ทิ้งเลยนี่คือสติแต่ถ้ามันไปสะสมเช่นไปรู้แล้วรู้นิ่งอย่างนี้ไม่เป็นแต่ที่จะมงกกำหนดรู้นิ่งอย่างนี้เป็นการปฏิบัติให้ไวขึ้น ค่อเราเหลือตาแต่ตรงนอมาตรงนี้หรือเป็นการถอนตัวตีจริงๆนั้นไม่ใช่ตัวการกระทำอะไนเลยแต่เป็นการถอนตัวคืนมาทั้งหมดค้ายๆลงทุนทางการค้านะครับอยากได้เงินเราเห็นว่ามันถ้าจะล่มจนเราถอนคืนหมดอย่างนี้เรียกสุดปการถอนตัวขึ้นจากอารมณ์มารู้อาจากการติดอารมณ์หรือหลงไปในเรืที่นันถอนขึ้นมา จากอารมณ์ดีใจกลับมาสู่ความเฉยดังนั้นมันไม่ใช่ตัวการจะทำข้าใจไหมไม่ใช่การกระทาไม่ใช่การก่อสร้างแบบเหมือนกี่สร้างบ้านเป็นการรื้อออกเาเดินเดินเรเดินคิดคิ ด, ดรู้ขึ้นมันอนตัวแลยพอรู้ปั๊บมันมนรื้อัอนเลยแล้วลให้รู้ให้หวานที่อย่างนี้เรีย ดังนั้นอาการที่คิดเผลอไม่รู้นรื่องดีเพื่อเราจะได้หักขอนถ้าไปรู้รู้ต่อนื่องนี่ไม่เป็นไม่เป็นดังนั้นเราต้องทาตัวตสบายสบายก็ปล่อยมันเผลอนี่แค่แต่มันพรมันเผลอมันจะคิดไปคิดคิดแล้วเราเผลอแล้วก็เข้าในคมคิพรู้มันจะถนอนแบบนี้เราปล่อยให้มันเราปลอยให้มันเผลอ เขาเมื่เผลอมันะมจะคิดนี่ทพลังไม่เกลอยไปกนหมดทะยุอยู่ก็เลยไม่ได้ฝึดสติไปจุอพลังคิดที่เป็นรมถะก็เป็นนั่งกำหนนี่อะไรเต้นกระสินจนไม่มีความคิดเลยแบบนี้่เป็นอัสระ